เจลิญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2558เป็นวันก่อนวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา คือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราจะมารำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา้าผู้ทรงพระคุณอันประสริงแก่สัตว์โลกไม่มีใครที่จะเหมือนได้พระคุณที่พระพุทธเจา้า ทรงมีให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้เป็นพระคุณที่ไม่มีใครสามารถจะหยิบยื่นให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากริย์มหาจัรากรพรรดิปธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีมหาเศรษฐีไม่มีใครที่จะมอบสิ่งที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอบให้แก่พวกเราได้นั่นคือส่งมอบทางออกจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้ทางนี้ได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ ทางออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อพระองค์ทรงรู้และได้ทรงดำเนินออกจากวัตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระองค์ก็ทรงกลับมาสั่งสอนพวกเราที่ยังไม่รู้กันถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอน พวกเราก็จะไม่มีวันรู้จากทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายที่พวกเราไม่ปรารถนากันอย่างในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเจริญทางด้านวัตถุจเจริญทางยาทางด้านการรักษาพยาบาลแต่พอเจอโรคชารลานี้ ไม่มีใครสามารถรักษาได้และผู้ที่ตกอยู่ในสภาพของความชราภาพไม่สามารถทำอะไรได้ก็มีทางออกเพียงทางเดียวก็คือการฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าเป็นวิธีที่จะหนีจากความทุกข์ของความแก่ไปได้แต่การฆ่าตัวตายนี้ ไม่ได้ทำให้ไม่กลับมาเกิดใหม่ตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่และก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนเพราะไปฆ่าตัวตายการฆ่าตัวเองก็ดีฆ่าผู้อื่นก็ดีมีโทษ คือหลังจากที่ตายไปแล้วร่างกายตายไปแต่ผู้กระทำผู้ฆ่าร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปผู้ฆ่าร่างกายนี้ก็คือใจ <c oughs> ก็ต้องไปใช้กรรมในอบายไปตกนรกก่อนแล้วพอหมดกรรมแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ พอมาเจอความแก่ไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ก็คิดฆ่าตัวตายกันก็จะติดอยู่ในกับของการฆ่าตัวตายแล้วก็ไปใช้กรรมในนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่ใหม่แล้วก็จะต้องไปฆ่าตัวตายใหม่แต่พวกเรานี้ถือว่ามีบุญมีวาสนามีโชคอันมหาศาล ที่ได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีอยู่อย่างมีความสุขในช่วงที่เรามีความชราภาพในช่วงที่ร่างกายของพวกเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆของใจของพวกเราได้เราจะมีสิ่งที่ทดแทนร่างกาย มีสิ่งที่จะมารับใช้ปนิบัติให้ความสุขกับเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาจะไม่รู้จักแล้วก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบผิดๆแทนที่จะแก้ปัญหากลับไปสร้างปัญหาขึ้นมา ไปฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องไปตกนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาแก่ใหม่ก็ต้องมาฆ่าตัวตายใหม่ท่านบอกว่าฆ่าตัวตายไปแล้วครั้งหนึ่งนี้จะกลับมาฆ่าตัวตายอีก500ร้อยครั้งเพราะมันเป็นวิธีที่เขาถนัดกันพอเจอปัญหาเจอความทุกข์ ไม่สามารถที่จะรับกับสภาพของร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือที่ตายไปก็ดีเขามีทางออกเพียงทางเดียวก็คือการฆ่าตัวตายแต่เขาไม่รู้ว่าการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่การเกิดถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตาย ก็อยากมาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วรับรองได้ว่าไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายโลกที่ไม่มีสังคมที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเขาจะมีแนวโน้มไปในทางฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้พยายามที่จะออกกฎหมายกันให้ถูกกฎหมายเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถรักษาพยาบาลให้หายได้แต่ก็ยังไม่ตายต้องอยู่แบบทุกข์ทรมานก็อยากที่จะกาจัดความทุกข์ทรมานนี้ด้วยการฆ่าตัวตายกันแต่ตอนนี้กฎหมายไม่อนุญาตให้หมอหรือให้ผู้อื่นช่วยคนที่อยากจะตายได้ตายกันเพราะถ้าไปช่วยทาให้คน ่นที่อยากจะตายตายไปยังถือว่าเป็นฆาตกรรมอยู่ยังถือว่าเป็นการกระทำบาปอยู่เลยมีความพยายามในประเทศที่เราเรียกว่าประเทศที่เจริญที่ร่ำรวยมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากมายที่เรียกว่าประเทศมหาอำนาจ แต่กลับเป็นประเทศที่โง่เขลาเบาปัญญาต่อวิธีการที่จะปฏิบัติกับสภาพที่ไม่น่าปรารถนาของร่างกายคือความเจ็บไข้ได้ป่วยความชราภาพและความตายพวกเราอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่เรากลับมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าประเทศพัฒนา ประเทศมหาอำนาจเพราะพวกเรารู้จักวิธีที่จะอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บและอยู่กับความได้ได้อย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่ทุกข์และรู้วิธีที่จะแก้ปัญหาแบบม้วนเดียวจบคือไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ด้วยการกาจัดเหตุที่จะทำให้มาเกิดใหม่เหตุที่จะทำให้พวกเรากลับมาเกิดใหม่นี้พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วว่าเป็นความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละที่เราจะต้องฝืนต้องกาจัดถ้าเราฝืนความอยากได้กาจัดความอยากได้ ต่อไปจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจของพวกเราและเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถมอบให้แก่สัตว์โลกได้ความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่การมีอภินญามีอิทธิฤทธิปาฏิหาร แต่ความยิ่งใหญ่ความเลิศประเสริฐของพระพุทธเจ้าอยู่ที่การมีวิชาความรู้พระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มาสร้างโลกหรือเป็นพระเจ้าที่จะมากาจัดความทุกข์ต่างๆของพวกเราแต่พระองค์นั้นเป็นผู้สั่งสอนเป็นครูเป็นอาจารย์ ศรัทธาเทวมนุษย์สานาแปลว่าเป็นศรัทธาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละคือพระพุทธเจ้าของพวกเราอย่าไปก่าบวแล้วขอให้ท่านทำให้พวกเราหายเจ็บหายค่ายทำให้พวกเราร่ำรวยทำให้พวกเรานี้ไม่มีภัยอันตรายต่าง พระพุทธเจ้าทําไม่ได้นะครัให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขปลอดภัยอยู่อย่างไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี้ท่านทําให้เราไม่ได้สิ่งที่ท่านจะทําให้กับเราได้ก็คือสอนวิธีให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อเราไม่กลับมาเกิดแล้วเราก็จะไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตาย แต่วันนี้เรามีวันเกิดแล้วเรามีร่างกายแล้วเราไม่มีทางที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่เรามีวิธียับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากการเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายได้พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบวิธีนะว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้ ตอจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นเองถ้าเราหยุดความอยากีได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตายเช่นร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี้เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์เพราะอะไร เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายของเขากับร่างกายของเรานี้เหมือนกันทุกมีอาการ32สองเหมือนกันหมดร่างกายของคนที่เรารักก็เหมือนกันทำไมเราต้องไปทุกกับร่างกายของคนที่เรารักด้วยเช่นพ่อแม่ของเราสามีภรรยาของเราบุตรธิดาของเราเราไปทุกกับร่างกายเขาทำไม เพราะเราอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจากเราไปนั่นเองแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรมีร่างกายของใครบ้างที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีใครบ้างที่ไปห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันประเสริฐผู้มีความสามารถมีอภินยามีอิทธิฤทธ ยังไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เลยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องมาศึกษาแล้วมาสอนใจให้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะถ้าเราสามารถสอนใจให้ยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครยับยั้งได้แต่ถ้าเรายอมรับความจริงเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆอยากไม่แก่มันก็แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วย อยากไม่ตายมันก็ตายแล้วผลมันเป็นยังไงผลก็คือความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรายอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ปวยยอมรับความตายเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยวิธีที่จะรับกับความแก่ความเจ็บความตายได้พุทธเจ้าบอกว่าต้องทำใจให้สงบ สอนใจให้อยู่เฉยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งสร้างความอยากขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ใจสงบอยู่เฉยๆไม่วุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายก็คือการฝึกทำสมาธิเงี่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ใจจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายเลย เพราะขณะที่ใจอยู่ในสมาธินั้นใจเหมือนออกจากร่างกายไปอยู่คนละที่กันเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ใจของเรามาติดอยู่กับร่างกายพอ ร, ร่างกายเป็นอะไรใจของเราจะเดือดร้อนขึ้นมา ท, ทันทีแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ใจของเราจะนิ่งเฉย จะเย็นจะสบายจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้คือความสงบของใจถ้าเราทำใจให้สงบได้รับรองได้ว่าเราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาย เราจะไม่ต้องไปคิดค้นหาวิธีข่าตัวตายให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆและให้เกิดโทษกับเราโดยใช่เหตุนี่แหละคือวิธีที่จะแก้ปัญหาทางใจของพวกเราคือเราต้องมาฝึกทำใจให้สงบกันวิธีทำใจให้สงบก็มีหลายขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือเราต้องหมั่นพยายาม ควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยให้มันหยุดคิดให้ได้วิธีที่จะคุมความคิดเราก็ต้องใช้สติวิธีจะใช้สติก็คือเราต้องระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นระลึกถึงพุทธโธรละลึกถึงพระพุทธเจา้าถ้าเราระลึกอยู่ภายในใจพุทธโธพุทธโธพุทธโธไป ใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แล้วถ้าเรามานั่งหลับตาถ้าเราสามารถกํากับใจให้อยู่กับพุโทโธได้ไม่นานใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบเต็มที่ใจจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยตอนนั้นร่างกายจะเป็นอะไรนี้ใจไม่เดือดร้อน น, นี่แหละ คือวิธีสร้างเครื่องป้องกันความทุกข์ให้แก่ใจของเราด้วยการหัดทำใจให้สงบกันฉะนั้นขอให้พวกเราลองมาปฏิบัติทากันการเจริญสตินี้ไม่ต้องมาอยู่ที่วัดสตินี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนเราก็เจริญสติได้ วิธีจเจริญสติก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะระลึกด้วยคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้จะร ะ, ะลึกด้วยการสวดพระพุทธคุณไปก็ได้อิติปิโสผักกวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธสวดไปหลายหลายรอบสวดไปเรื่อยๆเหมือนกับร้องเพลงในใจแต่แทนที่จะร้องเพลงเรามารำลึกถึงพระพุทธเจ้ากัน เพราะการล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าจะทำให้ใจเราว่างใจเราสงบจะทำให้เรามีกำลังควบคุมความคิดความอยากต่างๆได้พอเวลาร่างกายแก่ริอเจ็บรึอตายพอจะเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้พุทโธนี้มาหยุดได้เลยใช้สติมาหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย คือสอนใจให้โปร่งแก่ก็แก่ไม่เห็นเป็นไรเจ็บก็เจ็บไม่เห็นเป็นไรตายก็ตายไม่เห็นเป็นไรเพราะผู้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายมีแต่ร่างกายเท่านั้นที่แก่ที่เจ็บที่ตายแล้วร่างกายเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้ว เอาไปเผานี่ร่างกายมันร้องรึเปล่ามันสั่งว่าอย่าเอาเข้าเตารึเปล่มันไม่เดือดร้อนร่างกายมันไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไรผู้ที่มีความรู้สึกรับรู้ก็คือใจแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะอะไรเพราะความหลงหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจนั่นเองเราต้องมาแก้ตัวนี้แก้ความหลง ต้องสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเรามาเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นผู้รับใช้เราให้พาเราไปทำอะไรต่างๆเท่านั้นเองเหมือนคนใช้ร่างกายนี้เป็นเหมือนคนใช้ใจนี้เป็นเหมือนเจ้านายเจ้านายไม่ได้เป็นอะไรไปกับคนใช้ดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราไม่วุ่นวายไปกับคนรับใช้ ก็คือต้องทำใจเฉยๆเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายปล่อยมันเกิดไปดูแลรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนจะเป็นเหมือนกับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้ใจเราสบายไหมไม่เดือดร้อนใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับร่างกาย เราปล่อยให้ร่างกายมันอยู่ของมันไปตามสภาพของมันเพราะฉะนั้นพยายามทําใจให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดเวลามีอะไรมากระทบกับร่างกายก็ทําใจให้เป็นแบบตอนนี้เฉยๆไว้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับร่างกายนี่แหละคือวิธีที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุดและไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปภายในอนาคต นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้กับพวกเราพวกเราควรที่จะน้อมนํามาทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรากทํากันคือให้พวกเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ต้องกลับมา ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะถือว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลยพระพุทธเจ้าบอกว่า mm hmm. การบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนนี้ไม่ถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงผู้ที่จะบูชาที่แท้จริงต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นปฏิบัติธรรม ด้วยการปฏิบัติบูบชาพระเจ้าสจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหลคือผู้บูชาเราตถาคต ด, ดังนั้นขอให้พวกเราจงมุ่งไปที่การปฏิบัติบูบชาเป็นหลักการบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนก็ทำไปถ้ามีโอกาสถ้าเหมาะสมแต่ไม่ต้องกังวลเช่นเวลาเราปฏิบัติธรรม เราไม่มีดอกไม้ทูบเทียนนี้ไม่ต้องกังวลไม่จําเป็นการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมนี้แหะเป็นการบูชาอย่างแท้จริงอยู่แล้วดีกว่าการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนแต่ไม่ปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะมารำลึกกันในวันพรุ่งนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายที่จะตามมาอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนถัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย